อธิบายกรรมที่แบ่งพวกธรรมภิกษุทั้งหลายก็กรรมที่แบ่งพวกอะไรบ้างคือภิกษุทั้งหลายในยติทุติยกรรมถ้าภิกษุผู้เข้ากรรมกาหนดจำนวนไว้เท่าใดภิกษุเหล่านั้นไม่ได้มาฉันทะของภิกษุผู้ควรแก่ฉันทะก็ไม่ได้นำมา ภิกษุที่อยู่พร้อมหน้าก็คัดค้านชื่อว่ากรรมที่แบ่งพวกภิกษุทั้งหลายในยติทุติยกรรมถ้าภิกษุผู้เข้ากรรมกาหนดจำนวนไว้เท่าใดภิกษุเหล่านั้นมาแต่ฉันทะของภิกษุผู้ควรแก่ฉันทะไม่ได้นำมาภิกษุที่อยู่พร้อมหน้ากันแล้วคัดค้าน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 ภิกษุทั้งหลายในยติจตุถกรรมถ้าภิกษุผู้เข้ากรรมกําหนดจํานวนไว้เท่าใดภิกษุเหล่านั้นไม่มาฉันทะของภิกษุผู้ควรแก่ฉันทะก็ยังไม่ได้นำมาภิกษุที่อยู่พร้อมหน้าก็คัดค้านชื่อว่ากรรมที่แบ่งพวกภิกษุทั้งหลายในยติจตุถกรรม